หนังสือเรื่องพุทธธรรมจะบับปรับขยายโดยพระพรมกุณาพรปออประยุตโตภาค2มัชฌิมาปฏิปทา ข้อปฏิบัติที่เป็นกลางตามธรรมชาติหรือทางสายกลางตอน5ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไรบทที่16องค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทาหมวดที่3หมวดสมาธิองค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทาหมวดสมาธิ3ข้อ เรียงลำดับตามมัคมีองค์8คือ 6. สัมมาวายามะ 7. สัมมาสติและ 8. สัมมาสมาธิเริ่มบรรยายที่ข้อ 6. สัมมาวายามะองค์มักคนี้เป็นข้อแรกในหมวดสมาธิ จัดเ้าในอธิจิตตสิกขามีคำจำกัดความแบบพระสูตรคือในมหาสติปัฐานสูตรทีคณนิกายมหาวัคมีพุทพจน์ดังนี้ภิกษุทั้งหลายสัมมาวายามะเป็นฉนายนี้เรียกว่าสัมมาวายามะคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. ยังฉันทะให้เกิดพยายามระดมความเพียร ยกชูจิตไว้มุ่งมั่นเพื่อความไม่เกิดขึ้นแห่งอากุศลธรรมอันเป็นบาปที่ยังไม่เกิดขึ้นสองยังฉันทะให้เกิดพยายามระดมความเพียรยกชูจิตไว้มุ่งมั่นเพื่อละเสียซึ่งอากุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วสามยังฉันทะให้เกิดพยายามระดมความเพียร ยกชูจิตไว้มุ่งมั่นเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้น 4. ยังฉันทะให้เกิดพยายามระดมความเพียรยกชูจิตไว้มุ่งมั่นเพื่อความดำรงอยู่เพื่อความไม่เลือนหายเพื่อพิญโยภาพเพื่อความไปบู์เพื่อความเจริญเต็มบริบูรณ์แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ส่วนในอภิธรรมมีคำจำกัดความเพิ่มขึ้นอีกแบบหนึ่งดังนี้สัมมาวายมะเป็นฉไนการระดมความเพียรกือวิริยารมพะทางใจความก้าวหน้าความบากบั่นความขะมักกรม่นความพยายามความอุตสาหะความอึดสู้ความเข้มแข็งความมั่นคงความก้าวหน้าไม่ลดละ ความไม่ทอดทิ้งฉันทะความไม่ทอดทิ้งธุระการแบกทุนเอาธุระไปวิริยะวิริยินสีวิริ ย, รยพละสั ม, มาวายามะวิริยะสัมโพชงที่เป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคนี้เรียกว่าสั ม, มาวายามะในคำจงกัดความและความหมายทั้งหมดนี้ พิงสังเกตความสําคัญของฉันทะที่เป็นตัวนําของสัมมาวายามะและเป็นสาระหลักของความเพียรทั้งหมดสัมมาวายามะอย่างที่แยกเป็นสข้อตามคําจํากัดความแบบพระสูตรนั้นเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าสัมมปธานหรือประธานสและมีชื่อเรียกเฉพาะสําหรับความเพียรแต่และข้อนั้นว่า 1. สังวรรประธาน เพียรป้องกันหรือเพียรระวังอกุศลที่ยังไม่เกิด 2. ปหาณปทานเพียรละหรือเพียรกาจัดอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว 3. ภาวนาปรทานเพียรเจริญหรือเพียรสร้างกุศลที่ยังไม่เกิด 4. อนุรักษณาปรทานเพียรอนุรักษ์หรือเพียรรักษาและส่งเสริมกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว บางแห่งมีคําอธิบายแบบยกตัวอย่างความเพียนสี่ข้อนี้เช่น 1. สังวรประธานได้แก่ภิกษุเห็นรูปด้วยจักสุแล้วไม่ถือนิมิตคือไม่คิดเคลิ้มหลงติดในรูปลักษณะทั่วไปไม่ถืออนุพยัญชนะคือไม่คิดเคลิ้มหลงติดในลักษณะปลีกย่อยย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมซึ่งอินทรีย์ ที่เมื่อไม่สํารวมแล้วจะพึงเป็นเหตุให้บาปอากุศลธรรมคืออภิชาและโทมนัตความยินดียินร้ายหรือชอบใจไม่ชอบใจครอบงำได้ย่อมรักษาจากขุนศีถึงความสํารวมในจากขุนสีฟังเสียงด้วยหูสูดกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องโพธภพด้วยกายรู้ธรรมารมด้วยใจก็เช่นเดียวกันสมภัททานข้อสองป ห, า, หาประธานได้แก่ภิกษุ ไม่ยอมให้กามาวิตกปยาบาศวิตกวิหิงสาวิตกและบาปอากุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ได้ย่อมละเสียบรรเทาเสียทำให้หมดสิ้นไปเสียทำให้ไม่มีเหลืออยู่เลยสั ม, มประทานข้อสภาวนาประทานได้แก่พิสุเจริญโพชงเจ็ดประการซึ่งอิงวิเวกอิงวิราคะอิงนิโรธ โน้มไปเพื่อการสลัดพ้นสัมมประทานข้อ4อนุรักษณาประทานได้แก่ภิกษุอนุรักษ์คือคอยถนอมรักษาสมาธินิมิตอันดีคือสัญญาหกประการที่เกิดขึ้นแล้ว